สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทุคนชอบเล่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องลีลับวันนี้เรื่องดี้ลับที่ผมจะนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อเป็นประสบการณ์ของน้องเคนครับน้องเคนบอกว่าเขามีประสบการณ์ลี้ลับเขาอยากให้ลองฟังกันดูว่าสิ่งที่เขาเจอคิดว่าน่ากลัวหรือเปล่าเขาก็ฟังเรื่องผีไม่เยอะแต่เขาก็ว่าเรื่องเนี้ยของเขาเนี่ยก็สยองได้ใจน่าดูเหมือนกันเรามาลองฟังกันดูนะครับ น้องเคนเล่าว่าเหตุการณ์ที่เขาไปเจอเรื่องดีลับนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เขาได้ไปเที่ยวบ้านยายของเขาที่จังหวัดสุรินที่ตำบลบ้านตะเคียนวันนั้นก็เดินทางกันไปทั้งครอบครัวเลยมีพ่อมีแม่มีพี่ชายการเดินทางไปก็จะเป็นประจำกันก็คือจะต้องไปหยุดพักที่จังหวัดบุรีรัมเพื่อไปหาอาหารทานกันก่อนก็เรียกว่าหาข้าวกินนะครับผมไม่ชอบกินต้มแซบอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้นอาหารอีสานที่อยู่แถวจังหวัดบุรีรัม ส่วนพี่ชายก็ชอบกินไก่ย่างเอาเรื่องเลยดีกว่าพอขับเข้าไปในหมู่บ้านของยายก็ไปพบกับคุณยายคุณยายก็รู้สึกดีใจมากดูแกมีความสุขมากเลยน้ำตาคลอเบ้ารีบเข้ามากอดพ่อกับแม่แล้วก็กอดพวกผมแบบอื้มบรรยากาศอบอุ่นน่าดูยายก็บอกว่ายายจะทําอะไรให้กินนะเดี๋ยววันนี้ยยายจะผัดตําลึงให้กินกันพ่อผมเองก็หยิบเสียบไปหาสาคูหลังบ้านส่วนผมก็เล่นอยู่หน้าบ้าน ดูแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากสําหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้กลับไปพบญาติผู้ใหญ่ตามบ้านนอกจักราดเขาบอกว่าดีมากจริงๆที่หมู่บ้านของยายผมอะ่ะเวลาเริ่มเย็นก็จะดูมืดๆเพราะว่าไฟฟ้ายัางเข้าไม่ค่อยทั่วถึง6กโมงเย็นก็มืดแล้วยิ่งตอนทุ่มหนึ่งมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นพวกชาวบ้านที่แห่มาคุยกันถามสัตวทุกสุขดิบก็เริ่มทยอยยันกลับคืนนั้นพวกเราก็นอนพักกันที่บ้านคุณยายให้หายคิดถึง โดยพ่อเหนื่อยขอไปนอนก่อนผมก็นอนเหมือนกันแต่ยังไม่หลับเพราะว่ามันอาจจะผิดที่ผิดทางตื่นเช้ามาก็ไปดูพวกเขาทํานากันไปดูดํานากันอากาศก็ร้อนหน้าดูเลยตอนกลางวันไม่เหมือนกับเมื่อคืนเลยดีนะที่ยังพอมีกระท่อมปลายนาที่แม่ผมบอกว่าแม่แะเป็นคนมาปลูกไว้เองเอาไว้นั่งพักและใกล้ๆกระท่อมผมก็เห็นว่ามีมะม่วงสูงมากอยู่ต้นหนึ่งแต่ลูกเล็กมากก็เลยถามแม่ว่า นั่นมะม่วงอะไรแม่ทำไมมันลูกมันเล็กจังเลยแม่ก็บอกว่าเขาเรียกว่ามะม่วงนาและแม่ก็สอยลงมาให้ลองกินดูสุดยอดจะบอกให้เลยมันเป็นมะม่วงที่โคตรละเปรี้ยวมากเปรี้ยวจนกินไม่ไหวเลยนี่ขนาดกินลูกใกล้จะสุกแล้วนะเนี่ยเวลาของความสุกมันก็ผ่านไปรวดเร็วมากผมอยู่ที่บ้านยายกันประมาณ3วันแล้วมาถึงเวลากลับแล้วยายก็ถึงกับน้าตาคลอเบ้าเลยนะผมก็ต้องกอดยายเอาไว้แล้วบอกว่า เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะครับแม่ก็บอกยายว่าจะไปเที่ยวกับหนูไม่ล่ะเข้ากรุงเทพกันดูสักคืนสองคืนเดี๋ยวพามาส่งยายก็บอกไม่เอาหรอกอยากอยู่บ้านอย่างนี้แหละไม่ชอบเลยในเมืองับมันวุ่นวายอยากอยู่แบบเงียบๆอย่างนี้แหละสรุปพวกเราก็ต้องทิ้งยายให้อยู่ตามลำพังเปล่าเปลียวเหมือนเดิมแต่ก็บอกกับแกแล้วว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสมาเที่ยวหาบ่อยๆนะครับยายแกก็โอเคก็บกมือลากันอย่างดี รถก็เคลื่อนออกจากบ้านยายยังเห็นยายโบกมือหย่อยๆอัมลาพวกเราอยู่เลยผมก็บอกกับพ่อว่าพ่อเดี๋ยวแวะที่ประสาทดีกว่าจะได้ซื้อของกินกันด้วยพ่อก็บอกว่าเฮ้ยจะแวะทําไมให้มันเมื่อยก็เข้าไปในเมืองทีเดียวเลยดีกว่าของเยอะกว่าโอเคครับพ่อผมก็บอกพ่อไปพ่อผมก็ขับรถตรงไปยังตัวเมืองของสุรินเรวก็หาที่จอดรถกันแถวตลาดนั่นแหละทีนี้แม่ก็ลงไปเลย เป็นเจ้าแม่การชอปปิง้งเดินจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ของฝากนู่นของฝากนี่จะไปฝากเพื่อนบ้านบ้างอะไรอย่างนี้ผมกับพี่ก็เดินตะเวนหาซื้อของกินกันก็ได้ถั่วต้มมาเดินกินกันไปแม่ก็เดินชอบอย่างเมามันกว่าจะเสร็จตอนนั้นก็ปาเข้าไป5้าโมงเย็นพ่อผมเลยบอกว่าพอแล้วพอแล้ ว, ลวกลับมาที่รถกันเถอะจะได้เดินทางกันต่อแต่รถดันเสียออกตัวไม่ได้พ่อผมก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาอู่ซ่อมแถวๆนั้นนะ่ะ รอสักพักรถอู ก, ก็มาดูอาการแล้วก็บอกว่าข่าวดีครับยาวเลยพี่พี่ต้องหาที่พักกันก่อนนะคืนนี้พรุ่งนี้มันน่าจะเสร็จคืนนี้ยังไงก็ไม่ทันไม่มีทางเลือกตอนนั้นและแม่ก็เห็นไปเจอโรงแรมอยู่พอดีเลยก็เลยเสนอว่านอนโรงแรมนี้เลยก็ได้มั้งพวกเราก็เลยต้องพยักหน้าโอเคกันแม่เดินเข้าไปติดต่อที่โรงแรมก็ได้ห้องมาผมไม่เคยนอนโรงแรมก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากตอนนั้น พนักงานในโรงแดมก็พาเราไปที่ห้อง003นี่แหละห้องเลขนี้แหละมันคือความทรงจําของผมในตอนนั้นเลยที่จะเล่าให้ฟังหลังจากเข้าไปเก็บข้าวเก็บของก็เรียบร้อยแล้วผมก็เพลียมากเดินมาทั้งวันเลยเหมือนกันรู้สึกเหนื่อยก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะขอนอนก่อนนะพ่อกับแม่และพี่ก็บอกว่าเออจะนอนก็นอนคุณเดียวก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ไหนๆก็ไม่ได้กลับแล้วจะออกไปเดินตลาดกันหน่อยจะได้ซื้อของให้มันจุใจอีก จะเดินเที่ยวด้วยนอนคนเดียวได้นะไม่กลัวเหรอผมก็บอกกับพ่อแม่และพี่ว่าไม่กลัวหรอกห้องมันหน้านอนจะตายสบายดีออกตามสบายครับผมมาขี้เกียจออกไปแล้วขอนอนรอที่นี่แล้วกันนะและแม่ก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันลูกและทุกคนก็ออกไปจากห้องได้ยินเสียงเดินก็นออกไปไกลๆทุกทีผมก็เปิดไฟตรงหัวเตียงไว้ก็นอนสบายๆไปเรื่อยๆอยคิดดนใจเลย ออกไปเดินให้มันเมื่อยทำไมพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็ไปเดินอีกทีก็ได้ตอนนี้น่าจะพักกันก่อนพอนอนในห้องคนเดียวจากห้องที่ดูไม่กว้างมากพื้นห้องเป็นสีแดงหน้าต่างก็ปิดมา่านเอาไว้มันก็กลับดูว่าห้องมันเวิร์งวางพีกลแแต่ผมก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นก็หลับไปนานพอสมควรเหมือนกันสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปแปลกเป็นเสียงประมาณว่าเ <c oughs> มียวเมียวเมียวมาเล่นกันมาเล่นกัน มาเล่นกับเธอมแมวผมก็นอนคิดอยู่ว่าเสียงเด็กที่ไหนมาเล่นกับแมวเนี่ยแต่ก็รู้สึก ง, งัวเงียก็ขี้เกียจลืมตาดูก็นอนฟังต่อไปรู้สึกว่าเสียงจะอยู่แถวๆหน้าห้องนี่แหละแต่พักก็ดีนเสียงกอกแกกอกแ ก, กตรงหน้าประตูแล้วกอกแกกอกแกกไปอยู่ตรงประตูห้องน้ําอีกเอ๊ะก็เลยเฮ้ยลองลืมตาดูดีกว่ามันเสียงอะไรกันแน่พอผมกําลังจะตั้งใจลืมตาดูหนังตามันหนักซะอย่างนั้น ลืมไม่ค่อยขึ้นเลยได้แต่ทาตาปือๆงวงเงียขึ้นมาเสียงนั้นก็ยังดังอยู่นะเมียวเมียวมาเล่นกันมาเล่นกันนอนอยู่นั่นแหละไอ้คําพูดเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกแปลกใจเพราะว่านอนอยู่นั่นแหละมันน่าจะหมายความว่าเป็นตัวผมเนี่ยแหละที่นอนอยู่ผมก็พยายามทำมือตาขึ้นมาดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆแต่ก็ยังลืมตาไม่ค่อยขึ้นก็เลยว่าจะพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งแต่ปรากฏว่าขยับตัวไม่ได้เลย มันเหมือนโดนตรึงไว้กับเตียงตรงนั้นเลยตาก็พือตัวก็นอนแข็งยังกับโดนมัดไว้บนเตียงคนไข้ก็เลยพยายามฟังเสียงนั่นอีกมันอยู่ตรงไหนนะเสียงเนี่ยสรุปว่าจับใจความว่าเสียงอะ่ะมันอยู่รอบเตียงผมนี่เองมันวนไปวนมามมมมเสียงก็เดินตุบตับ ต, ตุบ ต, ตับ ต, ตุบ ต, ตับ ต, ตุบตับตุบตับเหมือนจะวิ่งเล่นรอบเตียงเลยคิดในใจเฮ้ยนี่มันใช่อาการของผีอำหรือเปล่าวะเนี่ยเคยฟังรายการทั่ามาเยอะ มันน่าจะใช่นะเนี่ยพอคิดได้แค่นั้นแหละเรียวแรงมันหายไปหมดเลยตัวมันรู้สึกเยนน็นหนาวไปหมดเลยไม่รู้ว่าขนลุกหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าหนาวและตัวชามากเสียงมันกระดังตรงหัวเตียงกั ก, กแกกักแกกักแกกกเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหัวผมนี่นแหละและเสียงก็บรรดาตรงข้างหูวิกว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะนอนอยู่นั่นแหละโอ้โห و. ตอนนั้นแหละ ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงตกใจกลัวมากตัวสั่นเลยแต่ขยับไม่ได้ในใจคิดว่าตะโกนตะโกนตะโกนแหกปากไปเลยเดี๋ยวคนได้ยินจะได้มาช่วยเราตะโกนไม่ออกเสียงมันไม่รู้ไปอยู่ไหนมันเหมือนแบบฟิลว่าตะโกนและเสียงมันไม่มีออกมาเลยทั้งๆที่ตะโกนมากใช้แรงออกมามากก็ไม่มีเสียงออกมาเลยและสักพักความรู้สึกว่ามีคนขึ้นมาบนเตียงตรงปลายเท้าก็เกิดขึ้นมันยบุบเตียงมันยบุบยุบยุบ มาข้างๆจนถึงเอวรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นมาหรือไม่ก็คลานขึ้นมาเนี่แหละแต่ก็ได้แต่ทำตาเปลือมองไม่เห็นอะไรเลยและสักพักก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาอยู่บนตัวตั้งแต่ตรงท้องแต่ความรู้สึกมันไม่ได้หนักมันเหมือนกับเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ตัวเล็กๆขึ้นมาบนท้องแล้วไต่ขึ้นมามันนั่งอยู่บนอกเสียงก็ดังข้างหูอีกมิวมิวมิวมิวมิ ว, มว มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอนะแน่อยากจะนอนอีกเร็วๆลืมตาขึ้นมาดูเร็วเย็นระวังเวงมากตอนนั้นตาเหมือนจะลืมขึ้นได้บ้างนิดหน่อยแล้วค่อยๆลืมตาปลือๆเรื่อยๆพอภาพที่มองเห็นเริ่มจะซัดขึ้นก็รู้เลยว่าอ๋อไอ้ที่มาอยู่บนอกอะ่ะมันคือแมวนี่เองเป็นแมวดาแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือหัวของแมวอะ่ะมันเป็นหัวของเด็กผู้หญิง กำลังจ้องเขม็งมาที่ตาผมอย่างเต็มที่เลยถึงตอนเนี้ยตาผมมันดันลืมตาที่เต็มที่เบิกกว้างจ้องไปสานตากับเขาเต็มที่เลยหน้าเขานิ่งมากแต่ตาเขาเบิกโพรงปากไม่ขยับหน้าซีดมากการมองเป็นลักษณะแบบมองแบบสงสัยมองแบบงงๆว่าเราเป็นใครผมช็อกมากคิดในใจอย่างเดียวเลยว่าไปไปไปไปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว อย่ามาทำอย่างนี้ไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเสียงที่ดังข้างหูก็ยังอยู่เล่นกันเธอเล่นกันเธอแมวแมวอยู่อย่างเนี้ยแต่ปากของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่มีตัวเป็นแมวก็กลับนิ่งไม่มีกา ร, รเผยเอปากออกมาพูดและเสียงมันมาจากไหนตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วหลับตาก็ไม่ได้ได้แต่จ้องเขาอย่างเดียวแล้วก็มีเสียงพูดไปเรื่อยๆว่าเล่นกันเล่นกันเล่นกัน นอนอยู่แต่อย่างเนี้ยแหละทําไมอ่ะทำไมไม่มีใครเล่นกับเราเลยใครๆก็ไม่ชอบเล่นกับเราใครๆก็ไม่ยอมเล่นกับเราแล้วน้ําตาของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่มีตัวเป็นแมวก็ไหลออกมาสีน้ําตามันออกแปลกๆเหลืองๆพิกลไหลออกมาไหลออกมาแล้วหน้าก็ค่อยๆเบะเบะออกเบะแบบเด็กร้องไหอ้อ่ะแต่เด็กร้องไห้ในฟิลนี้กับความรู้สึกนี้มันเป็นหน้าตาที่ชวนหลอนมากเพราะผมก็รู้เยอะว่า ไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่มีตัวเป็นแมวแต่เด็กที่อยู่บนอกผมเนี่ยมีตัวเป็นแมวเด็กคนนั้นร้องไห้น้ําตาหยดแมแม่แแมะมาบนอกผมผมทําอะไรไม่ถูกเลยแน่แต่สวดมนต์จะสวดมนต์นะโมตระก็สวดไม่ได้สวดไม่จบติดอ่างมาเต็มที่เลยนะนะโมโมโมโมไม่จบสักทีคิดถึงพ่อถึงแม่และพี่เลยช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อแม่พ่อแม่พ่อครับแม่ครับช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับช่วยด้วย ะตะโกนเต็มที่น้ําตาผมก็ไหลเหมือนกันเหมือน ก, นกับเด็กคนนั้นและเมื่อผมตะโกนเต็มที่อยู่ๆเสียงผมก็ดังลั่นออกไปจากลําคอผมอมันเป็นเสียงที่ดังมากผมก็ได้ยินเสียงตรงประตู ก, ก็แก่ก็แ ก, ก่เหมือนกับใครกาลังจะเข้ามาในประตูผมก็แงะไปมองทีนึงตรงประตูก็คือเห็นแม่กับพ่อวิ่งเข้ามาถามเฮ้ย <"He i, S 2> เป็นไรเป็นไรเป็นไรเสียงดังลั่นเลยเห็นห้องกา่าข้าก็าเปิดประตูมาดูด้วยผมหันมามองอีกทีหนึง่ง แม่ตัวนั้นบนหน้าอกผมก็หายไปแล้วเฮ้อรู้สึกโล่งแต่ยังไม่มีแรงอยู่ดีนะแต่รู้สึกว่ามือม้าเนี่ยมันอุ่นๆแล้วเหมือนจะขยับอะไรได้บ้างแล้วแม่ก็วิ่งมาเขย่าตัวผมใหญ่เลยเป็นไรเคร้นเป็นไรเคร้นลูกเป็นไรเฮ้อหลอกสะอีอาวยวายตกใจเป็นหมดเลยเนี่ยแล้วพนันกงานโรงแรมก็เดินตามมาดูเหมือนกันก็ถามว่าเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับพ่อกับแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรหลอกไม่มีอะไรหลอกลูกผมมันฝันร้ายอะ่ะแต่ตัวผมเนี่ย ตอนนั้นย่าปากสั่นอยู่เลยก็ได้แต่อือ อ, อ, อ, อ, อือไปพอปิดห้องก็เสร็จก็เหลือแต่ครอบครัวเราที่อยู่ด้วยกันพ่อแม่พี่แล้วก็ผมพอผมสงบใจลงได้ผมก็เล่าให้แม่กับพ่อฟังว่าผมเห็นอย่างนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ย hey, หลอนว่ามั่วหรือเปล่าฟังเรื่องผีมากไปหรือเปล่าจะมีอะไรได้ไงบ้า ไม่งั้นจะมีคนพักในโรงแรมนี้กันเหรอห้องอื่นเขก็มีคนอยู่กันน่ะไม่งั้นก็โดนกันหมดนะเด็แม่กับพ่อก็ขามใหญ่เลยบอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเนี่ยกลับมากันแล้วโอ้ยลูกแง่เอ้ยเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันนะแต่ผมก็ชี้ให้พ่อกับแม่ดูคราบที่อยู่บนหน้าอกผมที่มันยังเปียกๆอยู่อะวัา น, นี่คือคราบของน้ําตาของเด็กตัวแมวคนนั้นแม่กับพ่อผมเห็นปุ๊บมองหน้ากันเลยแล้วก็บอกแล้วว่าเฮ้ยรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อมา พ่อผมเดินไปเจอวีคของโรงแรมเลยไปขอย้ายห้องแล้วก็กลับมาบอกกับพวกเราว่าสรุปเขาให้ย้ายห้องแล้วเขาก็ยังพูดอีกนะว่าเจอเหมือนกันเหรอโอ้โหโรงแรมนี้เนี่ยนี่ทำไปติดว่าจะต้องนอนค้างที่นี่ยจะด่าให้เละเลยแต่ก็ยังดีที่เขาให้ย้ายห้องไปพวกเรารีบไปและพวกเราก็ย้ายห้องไปอยู่ที่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องว่างอีกทีหนึ่งนี่แหละครับมันเป็นประสบการณ์ผมเรียกว่าประสบการณ์ เจอน้องเหมียวแล้วกันน้องเหมียว0ูนย์าหรับผมอะมันน่ากลัวนะไม่รู้ว่าคนที่ได้ฟังเรื่องนี้จะรู้สึกน่ากลัวแบบที่ผมเจอหรือเปล่าแต่ผมกลัวจริงๆและนี่ก็คือประสบการณ์ของน้องเคนครับเมื่อครั้งที่ไปเที่ยวบ้านยายที่จังหวัดสุรินขากลับมีของฝากมาด้วยของฝากทางความรู้สึกนะครับก็คือน้องเหมียวน้องเหมียวหัวคนฟังดูแล้วก็สซยิม้มขื่ดีเหมือนกันนะครับ เอาละครับเรื่องก็จบลงแค่นี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเออขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ